เพรญญาะรวา่าปัญญาเขาไปรู้แต่ตัณหาคือความอยากจะได้ผลงานอยากจะให้งานสำเร็จเนี่ยมันแรงกว่ามันมีกำลังกว่ามันมากกว่าไอตัวตัณหาก็เลยไปพูดบอกว่าแต่ฉันก็อยากให้เธอมานะลิทธิศก็ไปเห็นคำกับว่าฉันก็อยากให้เธอมานะมันต้องพูดอย่างนี้นะ กรณีแบบนี้เหตุผลที่เธอมีทัศนคติที่มีความสับสนในตัวเองแบบนี้มันบอกบอกว่าปัญญาของเธอเนี่ยกำลังรับใช้ทิฏฐิกำลังรับใช้ตัณหาในตัวเธออยู่เพราะว่าปัญญามันไม่เป็นอิสระจากตัณหาจากความเห็นจากทิฏฐิถ้าปัญญามันเป็นอิสระมันอยู่เหนือกว่า มันจะตัดสินใจแน่นอนว่าไม่ควรออกมาเพราะตอนนี้เป็นอันตรายแต่ทีนี้ปัญญาเขาไปรู้ความจริงแต่ที่ถีบอกว่าแต่ฉันต้องการฉันเห็นรู้อยู่เช่นมันรู้แว่ากินเหล้ามันไม่ดีนะแต่ฉันอยากฉันอยากฉันมีความจะเป็นต้องกิน พออาจารย์พูดอย่างเนี้มันเห็นภาพชัดเพราะว่านักธุรกิจที่คุณเคยส่วนใหญ่จะมีตรงนี้มากเพราะว่าเขาบอกว่าเขาไม่เห็นว่าเขาทําอะไรผิดเพราะว่าเขาแค่พูดเฉยๆแต่วิธีการพูดของเขาคือเขาเอาตันหาเป็นตัวนาปัญญาว่ารู้ทั้งรู้ว่าอาจจะไม่ได้ด้วยนะกรณีนี้แต่อยากจะพูดลองไปเพราะเขารู้สึกว่ามันไม่เสียหายที่จะพูดเขา ใช่ไหมเจ้าคะเพราะฉะนั้นเขาเหมือนกับว่าเป็นคนที่ถ้ามองแล้วก็คือว่าเอาประโยชน์ส่วนตนไว้สูงสุดว่าก็ถ้างานเนี้ยเขาได้งานมันก็จะดีกว่าโดยที่เขาไม่เห็นใจวันนี้มันจะทําไม้ว่าเขาไม่เห็นแต่ว่าความจริงคือมันจะทําความลําบากให้คนอื่นขนาดไหนสร้างความเสียหายให้คนอื่นเยอะขนาดไหนแต่เขาจะเห็นภาพของเขาว่าเขาแค่พูดเฉย เขาแค่พูดเฉยๆ เ, ยเขาไม่ได้เอ็นเป็นด้วยสา้ำว่าเธอจะมาแต่ว่าเพราะนความรู้สึกของเขาคือเขาไม่ได้ทําอะไรผิดแต่คนที่อยู่ด้วยอันเนี้ยถ้าจับอันนี้ไม่ทันก็จะรู้สึกเองว่าเขาบอกให้เรามา เ, มเราเกรงใจเขาด้วยตําแหน่งเพราะเขาจะใช้ตรงเนี้ว่าผู้บริหารจะเป็นมากเราก็เกรงใจตัณหาเขาเกรงใจที่ดจุดเนี้ยที่เราไม่เห็น ที่เกงใจตัณหาและเกงใจที่ติก็เพราะเต็นเป็นตัณหาของเร า, เ, ราเพราะปัญญาเรามันไม่ชัดถ้าปัญญามันชัดมันจะบอกอีกอย่างเล ย, เลยบอกว่าช่วงนี้ไม่เหมาะเลยท่านอาจารย์อย่างนี้เป็นก่นมเห็วาแแ้ต่อาาจรย์เไ้นก็ต้องบอกเลยว่าท่านอาจารย์สุออขภาพสําคัญกว่าชีวิตสําคัญกว่า อย่าไปกังวลกับเรื่องตรงนี้ว่าช่วงนี้สถานการณ์ไม่ดีจริงๆนั้นท่านอาจารย์เอาชีวิต ด, วดีกว่าสติปัญญาของท่านอาจารย์เนี่ยมีค่ามีค่ามากกว่าก่อนก็จะมาโดนฝุ่นอั น, นี้ไปทําลายโอเคนะท่านอาจารย์นะเราหยุดกันไปสักกี่วันก็ได้หรือทําที่บ้านหรืหละก็ว่ากันไปที่ปัญญามันจะมีวิธีการบอกแล้วก็จะบอกเรื่องที่น่ากลัวให้ให้ตัณหารู้สึก ขยันขยงแล้วกลัวทันทีเลยทิทีก็ไม่กล้าเลยแต่เนี้ยนะโดนตอบปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บหนัเข้าหนักเขาหลุดเลยแต่เนี้ยเพราะว่ามันไอ้ทิทีมันกลัวปัญญากลัวอาจารย์แจกแจงได้เคลียร์มากๆเลยครับแจกแจงได้เคลียร์